การมหาจมเด็ชไม่เพืหห่อจะอะไรฟังทำกันเน้อมีผู้พูดมีผูฟ้ฟังฟังแล้วเอาไปทำดู เอาจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นน้งเสือปัญญาเป็นผู้พายลายิดพ่ออย่าลังรอพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายวัวจะเน่า ทำตัวแบนปึงเหมือนต่อกาไปจิตเลขละน้อยเรามองเก่อก่อเกอสติตั้งขึ้นตั้งขึ้นเหมือนเด็กตั้งไข่ตั้งแล้วมันล้มลูกแล้วมันล้มถ้าเด็กคนไหนลูกแล้วมันล้มไม่ลูกขึ้นอีกเด็กคนนั่งก็ไม่เจริญ ถ้าพ่อแม่ผู้เลี้ยงลูกถ้าลูกล้มแล้วรีบก็ไปอุ้มไปยกไปโอบเกินไปเด็กคนนั่นก็อ่อนแอถ้าเห็นลูกล้มแล้วก็บอกเขามันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นคุกหนูคุกหนูลูกน้อยก็ลุกขึ้นลมเวกโบกขึ้นเด็กมันก็เจงตั้งไข่ <c oughs> ชวิตเราก็เหมือนกันหลงแล้วลูกอีกใหม่ก็ได้ไห้เสียหายแต่ถ้าจะหลงเลยถ้าหลงเลยมันจึงเสียหายผมหลงก็นำหน้าแต่ปือไปไม่มีอะไรเตือนไม่มีอะไรบอกงั้นเราไม่เคยสนอนวัวสอนควาย ถ้าไม่สังข์ก็ไม่รู้ใช้งานไม่เป็นจะให้ไปข้างหน้ามันคืนข้างหลังแต่เราสอนมันให้ไปข้างหน้าให้มันหยุดให้มันถอยหลังให้มันไปข้างซ้ายข้างขวามันก็หัดได้เตี้ยเชื่อมันบ่อยๆมันก็จําชื่อมันได้บางที ก็บอกซ้ายบอกขวาันก็ไปถ้าบอกซ้ายก็ไปทางซ้ายบอกขวาก็ไปทางขวาหลวงพ่ออยู่มึงเลยหลายปีตอนเจ้าไปบินทบาทได้ยินเจ้ า, ยย น, านาไถนาก็เรียกบอกไยซ้ายตอนไปขวาเกินไปซ้ายซ้ายซ้ายไปเขาก็ไปทางซ้าย ถ้าไปทางซ้ากันไปแต่ของเขาคนไถนาะก็บอกว่าขวาวขวาแต่ถ้าไปทางขวากตรงไปตรงไปมันก็ตรงไปเอาใส่คาพูดมันก็จําได้นี่เรามาสอนตัวเองมาสอนตัวเองมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยเป็นมนุษย์ เป็นผู้ฝึกได้สอนได้ไม่มีใครยิ่งกว่ามนุษย์สอนได้จนถึงมรรคถึงผลหมดพิษหมดไฟแล้วก็มาสอนตัวเรานี่แหละขยันสอนขยันดูให้เห็นทุกแง่ทุกมุมความผิดความถูกที่ม่เกิดขึ้นกับกายกับใจ สติเป็นหางเสือเหมือนเรือถ้าไปทิศใดทางใดหางเสือเราก็ดัดไปให้ชาให้ไวหางเสือก็แล้วแต่หางเสือแล้วก็มีปัญญาปัญญาประดับกันไปขับเคลื่อนไปโล ทลูทางลู่การลูเวลาคนกับเรือในทะเลเขาดูรหัสตัวเขาเองบางท่งนี้มันไกลเป็นหกกิโลเจ็ดกิโลสิบกิโลเขาก็เห็นถ้าเขาดูรหัส หลวงพ่อเคยไปเกาะตะลุเตากับชาวละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลไปถามท่าเรือจะไปเกาะตาลุเตาผลขับเรือก็บอกว่ายังไปไม่ได้เ้าก็ดูเขาขึ้นกำลังแรงขึ้นกำลังแรง เดี๋ยวจะบอกถ้าเครื่อนมันสงบแล้วจะบอกรอสักหน่อยเขาก็นั่งอยู่กับเราเขาไม่ได้มีคล้งไม่อะไรไม่มีใครโทรมาวิตยวอะไรมาบอกเขาเ็านั่งอยู่เดิมกัแพรเดิมอะไรอยู่ด้วยกันนะเขาก็บอกว่าไปได้ไปได้ไปไ ป, ไปไหน่อยถ้าช้าจะไม่ทันแล้วก็ลงเรือรถขับบึ้งไปเลย พอเรือเข้าจอดฝั่งเกาะตะรุนเต่าทั้งนั้นขึ้นใหญ่มาเลยเพิ่ ม, มเพิ่มมาเลยเนี่ยผมว่าถ้าชาติไปกว่านี้ไปเก็ไม่ทันแล้วเข้าฝั่งไม่ได้แล้วต้องลอยอยู่กลางทะเลนี่ก็เป็นความชำนาญในรหัสของเขาคนกับเรือเขามองไอ้ไหนไหนไม่ขึ้นตรงไหนในรหัสของเขา เราปฏิบัติเนี่ยเขามีรหัดของเราเหมือนกันนะสอนเราจนยกมือไหว้ตัวเองไดนะ้เห็นความชั่วพ้นจากความชั่วเห็นความผิดพ้นจากความผิดเห็นความทุกข์พ้นจากความทุกข์เป็นในชีพของเราอาชีพนักบวชอาชีพนักบวชเนี่ยบวชนี่แปลวบเป่าปะาชะเป่าเไม้บอแหวนช่อช่าง เาวิชาเนี่ยไปว่าไปจากความชั่วไปสู่ความดีมันหลงไปสู่ความไม่หลงไปแล้วนี่บวชแล้วภาษาเข้ามาบวชไม่ใช่รูปแบบรูปแบบก็ยิ่งดีไปใหช่วยอีกนี่ทาไม่ไหนหล่อหลอมเราเราก็สนัสนุนตัวเอง ให้โอกาสตัวเองให้กำลังใจแต่ตัวเองอย่าลงโทษตัวเองมันหลงมันทุกข์เปลี่ยนมาเป็นความชื่นใจเห็นมันหลงแทนที่มันจะเห็นมันทุกข์จชื่นใจเราจะได้เห็นว่าโอ้มันทุกข์จะนี่เลยโอ้นี่เราทุกข์เนาะทุกบางอย่างเป็นเหตุกหนดรู้ทุกบางอย่างต้องมันเถอะทุกบางอย่างต้องละมัน มาเถอะมาเท่าไหรก็มีทางที่จะที่จะที่จะไม่จนอันความทุกนี้อันจนเงินจนทองอ่ะมันยังมีโอกาสจนอยู่หรอกแต่จนปัญญาที่จะมาดับทุกเนี่ยไม่มีจนเลยอะยาอิอารอตะวันจะสายจะหลดัดตลาดจะวายสายโยจะเน่า ถึงเขาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเขาทุกข์ก็โหูกันไปเก้าสุกก็โหูกันไป้า จ, กกไปาจุกก็จุกถ้าทุกข์ก็ทุกข์ตลาดวายแล้วไปถึงสุกถึงทุกข์ก่อนอะไรทั้งหมดถ้ามันสินค่าก็สายวัวก็เน่าไปแล้วใช่ไม่ได้เลยสติปัญญามันอยู่ไหนไม่รู้มันไม่มีเราไปสร้างไว มันจำเป็นจริงๆอันปัญญาที่จะมาดูแลตัวเองเนะ่ยมันเป็นจําเป็นพหุมากเลยเหตุที่เราไม่ดูแลตัวเราะ่ะจึงมีปัญหาต่อกันและกันปัญญาสามีเสือนจะรักกันเขามมีปัญหาต่อกันเพราะไม่ดูแลไม่เห็นตัวเองตามความเป็นจริงมีแต่เห็นมีแต่เป็นไปเลยไม่เห็นมีแต่เป็นไปกับ อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับลายกับใจเราเอย่ารอให้มันสายอย่ารอให้วายตลาดวายแล้วตลาดวายทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้ทอถอยทอถอยแล้วก็ตัวเองก็สอนเตงไม่ได้ คนอื่นก็สอนมาได้ถ้าเราสอนตัวเราไม่ได้ที่แท้เราเนี่ยามาสอนตัวเรากอนที่มาสอนตัวเราก็มีสิิงแวดล้อมบ้างมีกันระยานนมิตบ้างนำกันไปสู่ทิ่สู่ทาง ลราหลายอย่างที่เราเอาเป็นเครื่องมือสวดมนต์ทำบัต์ช่าทำบัพเจดเครื่องมือทั้งนั้นเครื่องมือมาประดับเครื่องมือมาขับเคลื่อนตัวเองไม้คีดเหล่านี้มันมีที่หนักที่เบาที่ปล่อยที่ว่าไม่ใช่เอาตะพือตะเือ เหมือนเขาทําถนนมิตรภาพก่อนที่มันจะเป็นมิตรภาพได้ก็ต้องข้ามห้วยน้องของเมืองถึงไหมห้วยน้องของเมืองแม่น้ํำก็ทําสะพานให้น้ํามันไหลตามสบาย <c oughs> เห็นแม่น้ําใหญ่แม่น้ำของแม่น้ําอะไรที่ ที่ปิเทศนียเ็ดกิโลเก็ ด, กดอมอม์สะพานเพรมก็6เกเ็ดแต่ว่ามันขึ้นฝั่งอยู่ก็ยออยู่แต่ว่าจากพุทธคยาไปพรานสีเนี่ย็ดคอมมสะพานไม่มีปัญหาเลยเพราะมีปล่อยมีวางมีทางไปของจริงต่างๆ ชีวิตเราก็เช่นกันไม่มิตรภาพมิตรภาพก็มันสะดวกข้าวหยุดก็หยุดถุงขาวเจนก็เจนข้ววางก็วางถุงขาวจริงจังก็จริงจังกลับเคลื่อนไปแฉงก็แฉงถ้าแฉงก็แฉงเหมือนเพชรถ้าอ่อนก็อ่อนเหมือนไหมอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอไม่ใช่เดีย๋ย อันเดียวตลอดเวลาเช่นเราอยู่ในหมู่คนโจรโจรเป็นคนร้ายเราจะทำตัวยางไงเราจะไปพูดดันที่มันถูกต้องไม่ถูกบุคคลไม่ถูกการไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่นั่นก็เป็นอันตรายต่อเราสิ่งที่ถูกต้องอาจจะพูดไม่ได้เสมอไปในบางโอกาสทำดี บางทีก็ทำได้แต่ว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกเวลาไม่ถูกผู้คนไม่ถูกสถานที่เย็นทาดีอ้าวย่โยมเอาอาหารมาถวายพระตอนเย็นทำมาอย่างดีพระตอนเย็นพระก็ฉันไม่ได้โยมทำดีไหมทำดีเอาอาหารมาลงทุนลงแรงแต่ว่ามาแล้วพระฉันไม่ได้ทำไมฉันได้เพราะไม่ถูกเวลา แล้วก็ไม่ถูกบุคคลไม่ถูกเสริมที่เนี่ยเพราะนั้นทำดีก็ให้ฉลาดเลยตัวปัญญาเนี่ยสำคัญนะรักษาศีลก็ฉลาดฉลาดศีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศีลศีลสมาธิปัญญานเป็นวงกลมสราบสนุนกันมีแต่สติอย่างเดียว ซื้อบือ้อซื้อบื้อไปก็งี่หลวงพ่อเคยเป็นเวลานั่งอยู่ตีละครังตื่นเลยกันติตกใจนะเสียงละครอะไรนี่หน่อยก็ตื่นเกินไปตื่นเกินไปตื่นเกินไปไม่มีปัญญาไม่รู้รอบไม่รู้กาลเทศะ มันต้องได้ยินมันต้องได้เห็นอะไรต่างๆเห็นงูก็กลัวไปเลยไม่เห็นงูก็อยู่สบายเห็นผีมาหลอกก็กลัวไปเลยเห็นผีมาหลอกก็มีปัญญาเคยเคยเคยเคยถูกหลอกตัวหลอกตัวเอ ง, อเองถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะผีมาหลอกนะพูดได้ฟังฟังไหม บางว่าพี่อระชอบไปอยู่ไกลๆถ้าเป็นมดป่าสุขโตขั้นหนุนหลก็คยตีสิบสามสมัยหมวดใหม่ๆไม่อยากอยู่กับหมูอยากอยู่ไกลๆ้าไปทำกระต๊ออยู่ไกลๆพอดีคนตายเขาฆ่าคนคนไม่ดีเขาฆ่าตายเขาฆ่าแล้วเขามาฝังเขาไม่เผา การไปฝังเขาก็าไปฝังไก่หมู <c oughs> กว่าจะพิกศพมันก็เน่าพอแดงแล้วเขาก็แปลไม่ลงเรื่อยมามามาทำเมนหีบศพเอามาฝังที่วัดป่าพุทธิยานแต่เราก็เห็นกระดานมันไม่หีบศพก็ไม่ขอมาเจ้าเรื่อยกระดานแผ่นใหญ่ เราก็ชี้จจกได้เพราะเราไม่มีกระดานปูกติของเราเราเอาฟากไม่ไ่ปูสี่แผ่นเนี่ยแผ่นหนึ่งวันหน้าเรื่งยี่สิบสามสิบแผ่นใหญ่สามสิบนิ้วง่ายแต่แบกยางดีก็ไปขอเขาเวลาเขาจะเอาฟัง ศพก็เลยไปขอขอขอขอขอก็อออไม่มีอญาตมีแต่คนชาว บ, บ้านแล้วก็เอาได้ได้ก็แฉเอาก็บอกเขาแจฉให้เขาก็แจฉช่วยเขาแฉแล้วก็เทเทศพลงหลุมเราก็ลากเอาหีบศพไปแช่น้ําไอ้บ้านน่มีบ่อดินเขาขุดดินทุกหลังมันน้ามันขันเอาเหลือไปแช่ไปไม่ไกล เท่าไรเอาไปแช่แล้วก็เอาขึ้นมาเอาแปงขัดใส่แฟบใส่จับูใส่อะไรขัดตากแดดไว้ตากแดดไว้ก็เอามาปูนอนเอามาปูนอนน่ะฝนตกมันชื้นขึ้นมันก็ไม่สูงดินมันชื้ น, นก็ชื้นถึงกระดาน เรานอนเลยชื้นไว้แต่ทั้งเสือมึงเลยเนี่ยมันชื้นหน้าหนาวเนี่ยเสือเนี่ยถ้าปูไว้ไม่นอนเนี่ยขึ้นลาเลยผ้าก็ขึ้นลาเลบ้านเราก็เหมือนกันนะท่านฤดูฝนเนี่ยขึ้นลาได้แล้วก็เมื่อมันชื่อมันมันก็มีกลิ่นเบนเบนเหมือนจบเหมือนจบ ที่เราเคยไปเอาลงหลุมเหมือนกันศพอันเดียวกันเพราะว่ามันแตกเนื้อหนองน้าเลือดมันแตกใส่ศพเราไปเทลน้ามันมไหลโจกออกเลยนะแล้ก็เหม็นพอเหม็นเราก็คิดเห็นศพที่เราเทลงหลุมตาเลือดถลนเราก็คิดเห็นศพนอนไปกับความเหม็นนอนไปกับความคิดก็หลับไปกับ ออผีน่ะศบนั่นจิ้งมหาเรามันฝันไปเราก็เล่าคาถาไล่ผีศพต้องก็จิ้งหนีไปพอเราหยุดเล่าคาถาศพก็จิ้งมาอีกเล่าคาถาศพจิ้งไปสู้กันอยู่นั้นก็เหนื่อยก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมากันยังเหม็อนอยู่ต้องเอามือมาง้มจะมูกไปเพราะมันพืนที่เรานอนอยู่กระดานน่ะมันก็เหม็อนอยู่ ก็เลยผีหลอกหรืออะไรเ น, นี่ยมอลำดับดูตัวเองอุย้ยเราคิดต่างหากเรานอนไปกับความเหม็นก็คิดไปถึงศพมันก็ฝันไปเฉยเฉนี่แหละไม่ใช่ผีหลอกปัญญาเกิดขึ้นแล้วอ๋อทันตีคำว่ากลัวผีหลอกถ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็กลัวไปเลยแน่นอนที่สุดเหม็นก็เหม็นจริงๆอ่ะผีมาหลอกจริงๆใครพูดก็ไม่เชื่อ เกิดกับตัวเองอันความปัญญาอนไปลู่เรื่องเนี่ยมันก็ไม่เชื่อหรอกคำว่าคนมาพูดเรื่องผีหลอกแล้วไม่เชื่อเราคิดไปต่างหากความคิดเหลอกตัวเราอะไรก็ทำนะความกลัวความกล้าความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ความรักควาั่งเราเนี่แหละหลอกตัวเองตัวกันที่เจ๋งที่สุดเราจึงมามีสติดูเชื่มีปัญญาดูเชืะ มันจะไม่ไปทางไหนมันจะอยู่ในความเรียบร้อยตายก็เรียบร้อยใจก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยไม่เคยพูดเลยว่าผีหลอกมีแต่ปัญญาถ้าเห็นแล้วนั่นคือมาท่ทเรโอปัญญารอบรู้อ่มันเป็นประดับเป็นช่วยเราจริงๆริอะสิ่สมาธิปัญญาเนี่ยสติวันเนี้ย เราทําไมเราจึงรู้เพราะขณะที่เหม็นอยู่นั่นเรามือมาบางไว้บนเขา่าพลิกมือขึ้นดูเราเมื่อกี้เรานอนคิดอ่ะมั น, นีด้มาลู่ตัวเองนั่งอยู่ในมุ้งพลิกมือพอพลิกมืออันเหม็นที่เหม็นแรงๆเอามืออุ้มจมกูกปิดจมกูกมันก็ไม่ต้องปิดหรอกเหม็นไม่มากมาเพราะเราไม่ได้นอนเรานั่งอยู่แล้วมันก็ไม่แคหมูกไปติดกับพื้นกระดานมันก็ไม่เหม็น แต่ก่อนนี้เหม็นนั่งอยู่ก็มือปิดจมูกไว้พอมายกมือสช้าจว่าไปมาก็หายเลยความเหม็นตั้งแต่บันดาลานเขาว่าความกลัวไม่มีเลยกลัวผีกลัวช่างกลัวเสื้อไม่มีเลยแล้ววันต่อมางูเหา่าเราก็อยู่ในที่ดงป่าไล่ไม่ไล่ไม่ขย เสียงกระแตมันไล่งูมาแ๊กแฉกแฉกกแฉกแเสียงผู้มาอยู่นน้นในป่าเนี่ยเราก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็นั่งสร้างจิว่าไปน่อยกระแตก็ไล่มางูเห่าก็พู้มาใกล้ๆเรามองไปทางเสียงเห็นงูเห่าตัวผู้ใหญ่เลื่อยมาเลื่อยมาบางทีเคืนสู้กับกระแตหม้ก็มา ตรงเราพอดี <c oughs> จะเข้าใต้ถุนกติก็ดีเราลั่งอยู่ก็ไม่สูงก็เตียงธรรมดาก็มาอยากมันเลื่อยมาหรือมันจะขึ้นมานี่ก็ไม่รู้ก็เลยคั้วกล่องไม่ขีดอย่างมีสตินะไม่กลัวเลยมีสติมีปัญญาก็นั่งอยู่ก็ ก็เอากองไม่ฉีดคว้างไปไปถืกไปถูกหัวมูพอดีงูก็ตื่นตกใจชูคอขึ้นแผ่พัพนๆคู่เราฟู้ฟูก็เอาผ้ายีวอนมาเคืงไว้ถ้ามันพ่นทำลายมาเนะ่ก็ไม่ถูกเราไม่ถูกหน้าเรากพถูกผ้ายวาีวอนเราก็นั่งด้วยสติด้วยความสะดวกสานว่ามันจะขนาดไห น, นงูเห่าเนี่ย ล้วก็ถึงผ้าขวางไปแล้วก็ดูมันกูอยู่โจคอแผลคังก็บาัมุดหัวลงก็วิ่งไปเข้ากอไปมันก็สนุกไปขั่วอะไรไม่ไม่ขัวไม่หลงมีปัญญาปัญญาโลภรู้ในทุกกรลีที่เกิดทึกเราแค่แต่การ เก็บไข้ได้ป่วยกันต้อนกันหนาวกันหิวกันอะไรต่างๆภายในภายนอกที่มันมีธรรมดาของชีวิตเราไม่เป็นไรมีแต่ปัญญาเมตสติเพราะมันปึกฝนตนเองอย่างนี้แล้ว มันก็ล่วงพว้นภาวะเก่าาไปจริงๆเคยทุกขก็ไม่ทุกเคยโกรธก็ไม่โกรธเคยโลภ ก, ก็ไม่โลภเคยห ล, ล, ลงก็ไม่หลงเคยรักเคยชังคนนั้นรักคนนี้ชังไม่มีเลยจะมีอยู่ก็คือปาษหาดีต่อกันมีเมตตากรุณาออกหน้าออกตาไม่มีอะไรที่หลง มีแต่ตัวปัญญามีเธอสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์จริงๆไม่จนไม่อดไม่ยากไม่จนเจอชีวิตโตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับอไปกับใจเราในโลกเนี่ยโลกคือโมจัตโลกคือแผ่นดินโลกคือสังขารร่างกาย สังขารและโลกโลกคือสังขารร่างกายที่มันพวงๆแต่งๆโลกคือโมจัดทุกสรรพสิ่งในโลกนะอากาศโลกสังขารโลกในโลกทั้งหลายเนะนี่ยนั่ก็ว่าเราลุยอยู่เราลุยมันอยู่ไม่ถูกทับถมได้เพราะเราฝึกฝนตนแดงมา เพื่อการนี่เลยตรงไม่ใช่ชีวิตเราจะป้องกันอะไรได้ทั้งหมดชีวิตนี้ไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนความเจอเท่านำเข้ามายัางยืนย่อมละทิ้งในสิ่งนักปวงเป็นธาตุของความอยากไม่รู้จกหยิบไม่รู้จก โลกมันเป็นนั่นโลกอ่ะเรามารู้มันจะบัตรจริงเรานั่นมันทำอะไรให้เราไม่ได้รู้แล้วอ่ารู้แล้วรู้รู้มาแล้วสี่สิบปีแล้วถ้าถ้าจะพูดเรื่องโลกนะอ่ามันก็มีเดียวท่านละความรักความเจงความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ความวิจาความไม่บาตรความตกงวลเจ้าหมองอันเดียว ไม่มีงอกขึ้นมาเหมือนเซี่ยโลกมีอันเดียวใครก็อันเดียวจึงเป็นเรื่องที่สอนกันเรื่องนี้เรื่องเดียวใครก็เหมือนกันชาติใดภาษาใดคนเท่าคนแจกคนนมคนสาวเพศใดวยใดเหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันทั้งหมดความทุกข์ก็เหมือนกันทั้งหมด ความโุกก็กหหเหมือนกันทั้งหมดความร้อนความหนาวเหมือนกันทั้งหมดความหิีวก็เหมือนกันปวดหัวก็ปวดหัวเหมือนกันเจ็บท้องก็เจ็บท้องเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยรู้มันซ ะ, ะรู้มันเดี๋ยวนี้แ่ะจะไม่ต้องเอะใจไม่เอะใจถ้าเราไม่รู้มันเอะใจนะเอะใจถ้าเรารู้ก็ ไ ม, ไม่เอะใจเลยไม่แปลกไม่เห็นแปลกอะไรเกิดจ็บจะตายมันเป็นของเขาความเกิดก็เป็นของเขาความแจ็ก็เป็นของเขาความตายก็เป็นของเขาแต่เราเห็นเขาไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความแจ็เป็นเรื่องของความเกิดเป็นเรื่องของความตายเป็นเรื่องของความเจ็บไม่ใช่เรา เราไม่มีรองรับสิ่งเหล่านั้นเราก็อิสระเราไมาเป็นอะไรกับอะไรนี่เป็นเราไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่เป็นตัวเราอัตไธยอัตโนราตัวตอนอะไรเป็นที่พึ่งของตอนคือพึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตนตายหามตมไปทิ้งได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นอย่างหวงพ่อป่ว ย, ยพึ่งที่สุดคือพึ่งจ า, จานดงจานนดพึ่ง อ, งอย่างนี้น แต่าพึ่งอันหนึ่งพึ่งตัวเนี่ยพึ่งตัวธรรมะพึ่งตัวสติพึ่งตัวปัญญาเนี่ยคนที่จะอาจารย์ตุ่มยานุมาช่วยมันจะตายห า, ายใจมันจะช็อกเีดจีโมเลือดแดงเลือดขาวตายไปก็ไม่มีเสียงเลือกเตียให้มาช่วยก็เกากระดาน กอดๆก อ, อ, อดหน่อยๆจาย์คันคิดเนี่ยที่มาวันนั้นก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมากันเรียบมาก็พูดก็อนจิ๋วไปบอกให้มาช่วยมันจะช็กแล้วมันไม่มีแรงเลยถ้าจะช่วยอะไรที่มันจะทันมีปัญญาก็เห็นลังนกนะเขาซื้อลังนกไหม่ เอาลังนกมาดูดดูวเจ๊เขาก็อาจารย์ตรงก็ เ, เทลังนกใส่แก้วอาจารย์กัญชีก็เอาลังนกที่ไม่เทออกเอาหลอดใส่มาดูดดูดก็ไม่มีแรงดูดลังนกอ่ะอดแรงไปดูดทีแรกไม่ขึ้นเลยไม่มีแรงดูค่อยดูดไปขึ้นมาเข้ามาอากล่องน้อยๆ น, นานะ พอเจ้าเอากองนั่งแกนต้มเทใส่แก้วพอมาดูดแล้วมันไม่มันไม่ถูกต้องอันนี้อันนี้ฉันไม่ได้นะเนี่ยเอาไม่เอาไม้ก็เลยไปเอาไม่ต้องเทออหลังนกออย่าไปเทนะเอา อ, อะไรของมาเลยถ้าไปเทแล้วมันไม่ไม่เป็นหลังนกเป็นอะไรไปไม่ดู นี่เราช่วยตัวเองสนุกตีในช่วงนั้นไม่มีอะไรเลยเห็นเห็นเห็นเงินเห็นเงินถ้าเราเป็นแล้โอ๊ยไม่รอดดอกเห็นแล้วก็กลัวเจ็บไปเลยไหวหรือไม่ไหวหรือไหวน้อยไปเลยจะหายหรือตายน้อยไปเลยถ้าเราเห็นมันสนุกสนุกไปเลย ต้องช่วยตัวเองอน่อนี่อัตติอัตโนนาโถตนนั่นและเป็นในเพื่อของตนคนหนึ่งใครเล่าจะเพิ่งน ไ, ได้ได้พระพุทธเจ้าจังบอกสอนเรงนี้ให้เราได้มีอุชช า, าภาคเกียนมันหลงก็ช่วยตัวเราอย่าให้มันหลงมันทุกข์ก็ช่วยตัวเราอยาให้มันทุกข์มันโกรธก็ช่วยตัวเราอยาให้มันโกรธหัดช่วยไป หัดช่วยไปมันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ปกติเราก็ต้องดูแลก่อนอย่าให้มันเฉยเมยนะมันลงก็หลงอยู่นั่นแหละหนึ่งวันแล้วมันสุกันทตกก็อยู่นั่นแหละไม่ใช่จึงเผื่อขาดกันอย่างนี้แหละพวกเราแล้วก็มีรูปแบบ รูปแบบก็ไม่ใช่เราสร้างขึ้นเอามาจา่าพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานเป็นทางนันเอกเอกามโกวิจิตยาหมายเลขหนึ่งไปที่เดียวกันไปถึงที่เดียวกันเป็นทางเช่นเดียวกันเดินได้ตัวคนเดียวใครเดินก็ไปของใครเอากันไปไม่ได้ ถึงที่เดียวกันไปคนเดียวทางเส้นเดียวเจ้าเอกามโควิจุติยะเนี่ยมาเดินเดินเช่นไร ม, มีความรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวก็เดินไปแล้วเดินไปแล้วอย่างที่พูดวันก่อนก่อนนั้นว่าถ้าเรารู้อยู่ก็เดกว่าไปเรื่อยเป็นมรรคแล้วผ่านแล้วผ่านไปแล้ว ผ่านความหลงผ่านความสุกผ่านความทุกข์ผ่านความรักผ่านความชังผ่านความโลภโกรธหลงผ่านความมีดีผ่านความมีร้ายผ่านความพอใจผ่านความไม่พอใจในโลกออกเจียได้ไปแล้วนไปไปนี่รว่าเอกโมโกวิจุติยาถามวัตถุสงสารวัตตุสงสารคือคิดลังเขา ทุกเรื่องเก่าสุกเรื่องเก่าเป็นวัฏฏะกลับขึ้นมาอีกอันนั้นเป็นวัตตะข้ามไปจ้าถ้ามีก็ข้ามไปข้ามความรักข้ามความชังข้ามความสุขข้ามความทุกข์ข้ามความโลภความโกรธความหลงข้ามไปเียว่าเรือมืนกลายเป็นเรือสติเป็นทางเสือคัดไปปัญญาพายไปจิตก็ อาศัยหางเสืออาศัยปัญญาภายมันก็เป็นไปเองไปทั้งหมดทั้งกายทั้งใจไม่ใช่กิตตนิยมรูป ก, กายนิยมหรือว่ารูปปฏิยมไม่ใช่เป็นเรื่องทั้งหมดเลยชีวิตเราสะดวกที่สุดรวมลงแล้วรู้เรื่องเดียวรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดก็รูเรื่องเดียวถ้ารู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องน้อยไม่ใช่ธรรมะ ถ้ารู้เรื่องน้อยไม่รู้เรื่องมากก็ไม่ใช่ธรมรมะธรรมะเนี่ยรู้เรื่องน้อยน้อยแต่มันมากอันมากมากก็มาพูดเรื่องน้อยน้อยได้อย่างพระอะ อ, ะอะไรที่เป็นผู้เอตตะคะมาพระพระกจายนะหรืออาจารย์สมเด็จนะพระมหากจายนะเนี่ย ขยายทำไม่น้อยเป็นเรื่องมากได้ขยายทำมากๆเป็นเรื่องน้อยได้ควาหมหากระจา ย, ยาได้เป็นเรื่อเอตัตคะในการเทศนาสั่งสอนคนเราสอนเราก็สอนตัวเองเราปฏิบัติอยู่นี่เราฟังคําพูดอยู่เนี่ยฟังทุกวันพูดทุกวันแต่ว่าพูดมากๆ ก, ก็มีเรื่องเดียวพูดน้อ ย, อยก็มีเรื่องเดียวเป็นเรื่องมากๆ รู้มากก็รู้น้อยได้รู้น้อยก็รู้มากได้ของจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าถ้ารู้น้อยไม่รู้มากก็ไม่ใช่ของจริงถ้ารู้มา ก, กไม่รู้น้อยก็ไม่ใช่ของจริงนี่คือ จ, ะจะัิยธรรมเราไปกลัวอะไรไปจนตรงไหนไม่ต้องจนหลวงพวอไปเทศเดี่หาาใหญ่พวกหินเอ่อพวกอิสลามเขามาเก่งไหม เราไม่ถามเราเจีงจริงไหมถ้าเจียงจรงิงก็ต้องพาเราทัวร์นรกสวรรค์ได้นะเขาบอกน ะ, ะมาจับเบอกันเลยมกลัวเลยหรอมาอยู่กลบเราเราจะพาทัวร์นรกจะพาทัวร์สอนเลยนะให้เขาเห็นเองจะมาปฏิบัติไหมต้องมาอยู่ด้วยกันเจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคําตอบใครเป็นคนตอบ คนที่เห็นเป็นคนตกคนที่สอนไม่เป็นผู้ตกถ้าอยากจะตอบเรื่อยต้องมาดูเองถามเขาปุยกันไปเขาก็ไม่พูดหลายปีนะนเพไอ้นี่ยไปกลัวหลอะไรเราไปกลัวไรเพราะเราพูดความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่โกหกไม่หลอกลวงใครนี่ก็วเพูดด้ฟังอะไปยินวะนะโยง เราเย็นไหมอ้าก็อาจารย์ดุจิตไปกลับปะ